สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ 4 ของเดือนท่านมีนัดกับเรานะครับ 15:00 น. 4 กรุงเทพมหานครก็ คำติชมจากท่านผู้ชมมากมายเหลือเกินที่โทรศัพท์เข้าไปร่วมเปิดบันทึกตํานานเดิมท่านว่า ซึ่งหรือภาษาเหนือความเพราะท่านเป็นลูกขนสุดท้องของโยมบิดาชื่อว่าเงินกําเมืองหรือภาษาเหนือแปล 2441 ในสมัยของ 5 ถิ่น อยู่ที่บ้านปงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เด็กชายล้าเมื่ออายุ 9 เรลาซึ่งมีอายุแก่กว่าท่านถึงทั้ง 47 ปีเมื่อเด็ก 18 ปีก็ได้เข้า พระภิกษุลาเป็นพระหนุ่มท่านมีความกตัญญูต่อพระครูปินตาเป็น 74 ปีท่านก็มรณภาพก็ ที่มีอายุเพียง 27 ก็ต้องรับหน้าที่ภาระ 2467 ด้วยความที่ท่านเป็น ไอ้สมุนถึงกับมีคำล้อเลียนกันว่าตุเจ้าใคร่ศึกเพราะหันหนุ่ม ตามจนต่อมาหน้าและพระอุปชาของท่านได้ดีตลอดมาจนสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆหลวงปู่ลา และนักในสมัยก่อนธรรมโดยแท้เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นในสมัยปีโดยพระครูบา เมื่อปีพุทธศักราช 2504 ด้วยฝีมือของเองซึ่งท่านเป็นผู้ ประกอบหลายไม้แกะสลักด้วยฝีมือของหลวง สำหรับซึ่งในสมัยนั้นพระประธานซึ่งในสมัยนั้นการก่อสร้างในวัด นอกเหนือจากการเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงแล้วจากการจังหวัดเชียงใหม่พระกันหลังจากโฆษณาสักครู่เดียวครับ หลวงปู่ลาแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ท่าน ซึ่งมีพระเนนอยู่จํานวนมากท่านได้เตือนพระเนนเหล่านั้นให้ออกห่างกุฏิของท่านโดยท่านบอกว่าวันนี้ต้นไม้ใหญ่ หลวงปู่ลาตาทิพย์ประมาณ 7 ปีมาแล้วเล่ากันว่ามีคหบดีท่านหนึ่ง วันนี้จะมีเศรษฐีใหญ่ใจบุญมาทําบุญที่ สอบถามท่านจึงได้สมทบเงินสร้างวัดเรื่อยมาลูกศิษย์ดูก็ทราบบาทต่อจากนั้นไม่ บรรดาลูกศิษย์ได้ปรารภหนักใจและวิตกกังวลกับปู่ลุงปู่ท่านรับฟังแล้วก็พนมมือไหว้ฟ้าฝนลุงปู่ไหว้ฟ้าฝนแล้วลุงปู่ท่านก็ ขาดเม็ดยังฉับพลันไม่มีเม็ดฝนเปียกจีวรของ ยังมีอีกมากอีกสักครู่อีกมากอีกสักครู่ ออกเหลือจากเรื่องราวแปลกๆที่ทําให้ ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นมหาปาริเยนแต่ท่านก็ เรื่องเครื่องร้างของขลังนั้นท่านไม่ค่อยชอบทําให้ ท่านก็ไม่ขัดข้องทั้งนี้เพราะท่านมีๆปะปนเช่นแชมป์โลกเช่นคุณแช กราบขอพรจากหลวงปู่ลาตายังเล่าให้ฟังว่านอกจากหลวงปู่ท่านจะให้พร ใน 2535 ที่ผ่านไปบรรดาศิษย์ญาณศิษย์ของหลวง ประกอบพิธีสืบชะตาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่มหาการุนิโกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งป่วงคาถาว่ามหากรุณิโกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ 2526 เป็นต้นมาต้นมา เป็นประโยชน์ต่างๆเช่นจัดทุนอาหารกลางวันจัดทุนสําหรับแม่บ้านแจก พระนักปฏิบัติธรรมพระนักสั่งสอนธรรมปฏิบัติธรรมพระนักสั่งสอนธรรม 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 พุทธศาสนิกชนตลอดจนศิษย์ญาณุศิษย์ที่ศรัทธาพระครูจันทสมาคุณหรือ เพื่อถวายแด่หลวงปู่แต่ยังไม่ทันที่หลวงปู่จะได้และเกียรติคุณของท่านยัง รวมทั้งเครื่องลางของขลังที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิต เป็นเหรียญกลมเนื้ออันปาก้าพระของขวัญเนื้อผงซึ่ง ก็มีหลวงปู่ล่าหรือพระครูบาล่ารวมอยู่ เจริญสุขเจริญพรสัทธาญาณยอมพุทธบาริสัตย์โพฏฐ์ เกิดมาพอพุทธศาสนาเจริญในปพตปฏิบัติธรรมธรรม จิตใจของตัวเองการที่เราจะไปมานับถือพุทธศาสนา เร็วพรนําความดีสืบต่อกันไปด้วยความเท่ไม่ไม่มีจะร้อน ทรงมวยาชั่ววันอันนี้ขอให้ท่านทุกโพทุก นั่นคือเปิดบันทึกตำนานของหลวงปู่ล่าตาธิบหรือหลวงปู่ล่าแห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับๆแต่ทีมงานของเราก็พยายามที่ 4 ของ ตั้งแต่ 15 15:00 น. จนถึง 15:30 น. 15 น. น. อย่าลืมนะครับว่าท่านมีนัดกับ วันนี้กับผมสุวัฒน์ยมจินดาสวัสดีครับ